บทที่ 7. อะไรที่เราต้องการจะทำคำถามที่ต้องถามมีคำถามสองข้อที่เราจำเป็นต้องถาม 1. อะไรที่เราต้องการจะทำา 2. เรากําลังทำอะไรอยู่ต่อเมื่อเรามีคำตอบต่อคำถามสองข้อนี้เราก็จะทราบว่ากิจที่เราต้องการจะทำ และกิจที่เรากําลังทําอยู่นั้นสอดคล้องกันไหมคนเราจำเป็นต้องทราบว่ากิจที่เขาต้องการจะทําสอดคล้องกับกิจที่เขากําลังทําอยู่ไหมเพื่อที่จะเข้าใจว่าการกระทําและความปรารถนาของเขานั้นสอดคล้องกันหรือว่าแตกต่างกันเราแต่ละท่านกําลังทําสิ่งหนึ่งหรือไม่ก็อีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเราเห็นได้ว่า ในหมู่เรามีบางพวกสารวนอยู่แต่เรื่องทางโลกเป็นหลักพวกอื่นก็ทำละคนกันทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรมและมีบางพวงซึ่งความสนใจหลักและเป้าหมายในชีวิตคือการเป็นอิสระจากวัฏฏะสงสารไม่ว่าเราจะทำกิจใ ด, ดอยู่แต่ละคนจำเป็นต้องทราบว่าเขากำลังทำสิ่งที่เขาต้องการจริงหรือ บางคนทำได้จริงแต่มีพวกอื่นที่ไม่ทราบว่าการกระทำของเขานั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่เขาต้องการหรือไม่เราควรพยายามทากิจที่เราต้องการจะทำหรือว่าเราพึงบากบั่นที่จะทากิจที่ควรทำคำถามสำคัญสองข้อนี้ก็จำเป็นต้องถามเช่นกันเราพบคำตอบของคำถามสองข้อนี้ว่าเพื่อที่จะทากิจ ที่เราต้องการทำนั้นก่อนอื่นเราต้องทำกิจที่ควรทำด้วยการทำกิจที่ควรทำนั้นเราจากได้สมประสงค์ในปุพภกิจสําหรับการทำกิจที่เราต้องการจะทำเราต้องเจริญความเพียรความใจกว้างยอมทนและขันติเพื่อที่จะทำกิจที่เราต้องการทำจริงๆก่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องอบรมจิต ความปรารถนาแห่งจิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในจิตตสูตรที่สองว่าจิตเตนะนิยติโลโกโแปลว่าโลกอันจิตย่อมนำไปและในขุททกะนิกายว่าไม่พึงเป็นไปตามอำนาจของจิตแต่พึงนำจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนคือความมุ่งหมายของการอบรมจิต จิตอันประเสริอย่อมนำบุคคลไปสู่พบอันเกษมแต่จิตซามย่อมนำบุคคลไปสู่อบายภูมิดังนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทราบว่าจิตนำเราไปสู่ที่ใดเราได้อยู่บนวิถีทางที่นำไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งและตรงตามความมุ่งหมายของชีวิตหรือยังหนอและนี่เป็นมัคคาอันนำให้บรรลุเป้าหมาย ที่เราปรารถนาหรือหนอจุดมุ่งหมายของเราจะต้องนำจิตคือข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกอยู่ตลอดเวลามากกว่าที่จะเป็นไปตามอำนาจของจิตเป็นธรรมชาติที่ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตย่อมแตกต่างกันไปตราบใดที่คนซึ่งมีเป้าหมายในชีวิตที่แย้งกันยังมีอยู่เป็นเรื่องปกติ ที่จะพบความต่างในหมู่ประชากรโลกในทัศนะของเราเรายอมรับว่าคนส่วนมากมีความต่างกันแต่เราไม่ได้ใส่ใจในความต่างของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีพวกอื่นซึ่งมีเป้าหมายและความเห็นละไม้กันแม้จะไม่เหมือนกันทีเดียวความละไม้กันในที่นี้เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งมิใช่หมายถึง ความเหมือนกันในรูปหรือลักษณะที่เห็นภายนอกเช่นพิสุย่อมคลองจีวรรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอกของเหล่าพิสุย่อมดูเหมือนกันไม่มากก็น้อยความเหมือนกันในลักษณะที่เห็นภายนอกนี้ไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือความเหมือนกันในสารัธรรแห่งจิตซึ่งปลูกสํานึกในพิสุ ความเหมือนกันอันลึกซึ้งของสารัธรรแห่งจิตเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดประการหนึ่งของความเป็นสมณะพระธรรมอันปณนิดลึกซึ้งของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ทรงประทานเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้มีความปรารถนาอันประเสริฐและแก่ผู้มุ่งเพื่อความหลุดพ้นที่แท้การเป็นผู้ประเสริฐหมายถึง เป็นผู้มีจิตอันอบรมดีแล้วซื่อสัตย์น่าเคารพมีความอุตสาหะไม่กดขี่ข่มเหงมีอัตทะจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีมุทิตาจิตยินดีในความได้ดีของผู้อื่นและมีอุเบกขาวางใจเป็นกลางเมื่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เหล่านี้คือคุณสมบัติของการเป็นผู้ประเสริฐ หรืออริยะบุคคลเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุ์แล้วหากพระรูปนั้นตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุความเป็นอริยะมีความสำรวมรักษาพระวินัยกลายเป็นผู้มีศรัทธาอย่างสูงและน้อมจิตสู่เนคคัมมะปลอดโปร่งจากกามคุณมากขึ้นมากขึ้นโดยการใส่ใจในพระสัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่จึงเป็นสารัตถะแห่งความเป็นบรรพชิตนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่รูปแบบหรือรูปรักษ์ของพระพิสุความต่างกันในเชื้อชาติชนชั้นพวกขศัพท์และความมั่งคัง่งไม่มีบทบาทใดในความหมายที่แท้ของพระพุทธธรรมความแตกต่างเช่นนั้นระหว่างบุคคลมีมูลเหตุจากอคติ และความใจแคบความแตกต่างเหล่านี้ไม่อาจนำเราไปสู่การเป็นผู้ประเสริฐและไม่อาจช่วยให้เราเก้าวหน้าสู่เป้าหมายแห่งความหลุดพ้นพระบรมศาสดาประธานคณะสงฆ์เพื่อความผาสุกและประโยชน์แห่งผู้แน่วแน่ฟันฝ่าเพื่อความหลุดพ้นโดยการเจริญอริยะอัดทังขิกรรมกมักในชีวิตด้วยเหตุผลนั้น ความไม่เสมอภาคทั้งมวลและการแบ่งแยกโดยเชื้อชาติชนชั้นภูมิรู้และความมั่งมีจึงถูกขจัดจากหมู่สงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้อุปสมบทเป็นพระพิสุซึ่งเห็นด้วยกับการขจัดความไม่เสมอภาคมีศรัทธาและปลอดจากอคติย่อมอยู่บนหนทางสู่จุดหมายปลายทางและเป้าหมาย คือความหลุดพ้นในคณะสงฆ์พิสุทั้งมวลได้รับความเคารพเสมอกันในฐานะพิสุแห่งสักยวงศ์สมาชิกของสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวโดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชังแต่เป็นจานวนพรรษาและความเคารพซึ่งกันและกันที่เข้ามาทดแทนบนวิถีสู่ความหลุดพ้นมักคาที่เราดําเนินตาม จำต้องเป็นวิธีเดียวกันหากไม่ดำเนินตามมรรคาเดียวกันเป้าหมายสูงสุดก็ไม่อาจเป็นสิ่งเดียวกันได้เป็นเพราะเราทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์กรหลายพระองค์ได้บรรลุเป้าหมายแห่งการตัดสรู้เราทราบว่ามรรคาสู่การตัดสรู้มีแล้วลักษณะเด่นอันสำคัญคือ มักคาสู่การตัดสรุ้เป็นมักคาเดียวกันท่านผู้บรรลุการตัดสรุ้แล้วได้พบว่าท่านได้ดำเนินตามมักคาเดียวกันสู่การตัดสรุ้ซึ่งเราต้องเจริญตามมักคาอันประเสริฐนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายอันประเสริฐมีสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งความทุกข์จากการแก่การเจ็บและการตายเช่นกันกับความทุกข์อื่นๆดับไป และก็มีการภาวนาและมักคาซึ่งเราสามารถข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งคือพานิพานอันกเกษมซึ่งกองทุกข์ทั้งมวลดับสนิทมักคานี้ชื่อว่าอาริยะอัตถังขิกะมะักอันเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราจะบรรลุพานิพานได้ก็ต่อเมื่อการภาวนาและมักคานี้มีความสอดคล้องกัน หากสองประการนี้ไม่สอดคล้องกันแล้วก็ไม่อาจบรรลุพานิพานได้ถ้าปราศจากการเจริญภาวนาตามอริยะอัตถังคิกามักนี้จนถึงความไพยบูนก็ไม่อาจทําให้แจ้งพานิพานได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดเราได้เห็นแล้วว่าปฏิปทาและการเจริญภาวนาตามมัคคานี้เป็นการทำ กิจที่ควรทำอย่างแท้จริงการได้โอกาสทํากิจที่เราต้องการจะทำผู้เจริญตามมรรคานี้ทุกคนจะได้บรรลุเป้าหมายในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเป็นธรรมชาติที่บุคคลต่างกันย่อมต้องการเวลาในการปฏิบัติแตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดจะบรรลุได้โดยรวดเร็วแก่บุคคล ผู้สั่งสมบารมีมาบริบูรณ์แล้วและแก่ผู้ที่เกิดเป็นชาติสุดท้ายในวัฏฏะสงสารเราได้เห็นว่าการสั่งสมและบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์โดยที่แท้หมายถึงกำลังทํากิจที่ควรทําดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จักต้องมีสํานึกของการทํากิจที่ควรทําการเจริญตามมรรคมีองแปะ อันประเสริฐกล่าวโดยย่ อ, อคือไตรสิกขาศีล ส, สมาธิและปัญญาสำหรับบางท่านเพียงการพยายามรักษาศีลก็หมายถึงว่าเขากำลังทำกิจที่ควรทำการรักษาศีลห้าศีลสิบเป็นอย่างน้อยเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอันนำให้เกิดสัมมาสมาธิการรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิ เป็นการกำลังทำกิจที่ควรทำเพื่อก้าวหน้าไปสู่การปฏิบตัติวิปัสนาและการเจริญปัญญาความปรารถนาที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นขั้นที่เราจะได้พิจารณาพระไตรรักษ์ของสังขารธรรมโดยความเป็นอนิจจาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนจะกเกิดได้ ต่อเมื่อหลังจากที่เราได้เจริญสมาธิแล้วการเจริญสมาธิจนถึงความบริบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าเรากำลังทากิจที่ควรทำสมาธิจะทำให้เรากำหนดเห็นนามรูปปรามาทิได้ด้วยญาณในที่สุดเมื่อเราสามารถเห็นนามรูปปรามาติเราจึงจกเจริญวิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าเราจึงจกเห็นแจ้งภาวะอันสงบเย็นที่แท้แห่งพระนิพพานดังนั้นการเจริญสิกขาสามคือศีลสมาธิและปัญญาหมายถึงว่าเรากำลังทากิจที่ควรทำเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานวิธีทางเดียวที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุด คือการอธิษฐานจิตยอย่างแน่วแน่มั่นคงที่จะบรรลุความปรารถนาสูงสุดและแล้วให้คำอธิษฐานนั้นสถิตยอยู่แต่เบื้องหน้าแห่งจิตตนเมื่อเราทำสิ่งใดด้วยอำนาจจูงใจจากแรงอธิษฐานนี้สิ่งที่ทำต่างต่างนั้นย่อมเป็นการกำลังทากิจที่ควรทำโดยทั่วไปมนุษย์เรา กำลังทํากิจที่ควรทําเพื่อการมีชีวิตรอดในสังคมแต่เพียงการทํากิจที่ควรทําเพื่อความอยู่รอดมิได้หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องการทําโดยอัตโนมัตินี้เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องการจะทําจริงๆ สนผู้ที่กําลังเจริญภาวนาเพื่อบรรลุความหลุดพ้นก็กําลังทํากิจที่ควรทําเช่นกันเขาเจริญภาวนาเพราะความปรารถนาลึกซึ้งที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารด้วยความมุ่งหมายที่จะบรรลุความปรารถนานั้นนี้เป็นการทําที่ถูกต้องโดยแท้ในกิจที่ควรทําเพื่อให้ความปรารถนาของเขาลุ่ร่วง ในกรณีนี้อย่างไรก็ดีการกาลังทากิจที่ควรทำจะ ก, ก่อให้เกิดสิ่งที่เขาได้ปรารถนาไว้พึงเข้าใจดังนี้ความอยากที่เกิดแต่โลภะและอภิชาคือโรคอยากได้ของเขาเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าไม่เหมือนกับความปรารถนาที่เกิดแต่ความใคร่จะหลุดพ้น การเลงสู่จุดหมายความปรารถนาจะทำในสิ่งที่เราต้องการทำช่วยให้เรามุ่งไปและมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนอุปมาว่าการวางรากฐานและทำสิ่งต่างๆทั้งสิ้นที่ควรทำเพื่อการก่อสร้างและเข้าอยู่ในคฤหาดหลังใหญ่ที่สร้างอย่างประณีตแม้ว่า การวางแลกฐานจะไม่ใช่ปฏิบัติการเริ่มต้นของการทำกิจที่ควรทำบูพกิจย่อมมาเป็นอันดับแรกเสมอเขาต้องรวบรวมวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขาบูพกิจเหล่านี้แหละพึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นทำกิจที่ควรทำผู้ที่ได้บาเพ็ญบารมีมาบริบูรณ์แล้ว เปรียบดุดได้รวบรวมวัสดุก่อสร้างไว้ครบแล้วย่อมสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการทําและเจริญรุดหน้าสู่เป้าหมายได้รวดเร็วแต่ผู้ที่มีบารมีเช่นนี้มีน้อยมากเมื่อเราให้ความสําคัญต่อสิ่งที่เราต้องการทําก่อนแทนที่จะทําในกิจที่ควรทํานั่นจะกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้น เมื่อเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราต้องการทำก่อนแทนที่จะทำในกิจที่ควรทำนั่นจะกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการทำอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการทำกิจที่ควรทำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อสนองความปรารถนาของเราในการทำสิ่งที่เราต้องการทำอย่างแท้จริง เทวทัตเกิดความปรารถนาว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าเราจักปกครองหมู่สงเขาถูกขับดันด้วยความปรารถนารามกให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำแทนที่จะสั่งสมบารมีที่จำปรารถนาต่อการตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าการยอมเป็นไปในอำนาจของตันหาจึงนำให้เขาถึงความพินาในสมณะธรรม ได้ประสบโทษที่เยียวยาไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกับในอเวจิมหานรกนี่เป็นตัวอย่างแห่งการตามใจกิเลสของจิตผู้ที่ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตคนเป็นอันมากต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตตนเพราะเห็นแก่สมบัติทางโลกหรือเพื่อได้รับการยอมรับคําสรรเสริญความนิยมและความนับถือจากผู้อื่น เทวทัตเป็นตัวอย่างแห่งผู้ที่ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยชีวิตโดยการซ่องเสพและทำตามบัญชาของกิเลสในจิตท่านกำลังทำในสิ่งที่หัวใจท่านต้องการจะทำจริงๆหรือว่าท่านถูกจูงใจด้วยความอยากเพื่อได้รับความนิยมเกียรติยศคำสรรเสริญความนับถือชื่อเสียง และความมั่งคั่งมากกว่าเราจาเป็นต้องทราบความแตกต่างระหว่างเหตุผลสองประการนี้เพื่อความปรารถนาที่จะทำสิ่งใดก็ตามมีบางพวกไม่ได้พิจารณาความปรารถนาที่แท้ของตอนเองได้แต่กังวลกับทัศนคติความคิดและความเห็นของผู้อื่นมากจนเกินไปการหวนหาการได้รับการยอมรับ ความนิยมและความเข้าใจจากผู้อื่นนำไปสู่มรณะกรรมของตนเองน่าเศร้าที่พวกเราเป็นอันมากต้องถึงจุดจบแห่งชีวิตเพราะยอมจำนนต่อความปรารถนาของผู้อื่นเรื่องเช่นนี้กลายเป็นเรื่องสามัญในโลกไปแล้วเราไม่อาจอยู่ในสันติที่แท้และความสงบเย็นได้หากปราศจากการรู้จักวิถีแห่งความคิด และความปรารถนาที่แท้ของตนเองเมื่อปราศจากความรู้ในวิถีแห่งความคิดและความปรารถนาที่แท้ของตนเองชีวิตย่อมไร้ค่าความสงบแล ะ, สะเสถียรภาพแห่งจิตไม่อาจมีได้ตาบที่เรายังไม่รู้จักกิจที่เราต้องการจะทำจริงๆโลกหยหาความเข้าใจ โลกซึ่งผู้คนหอยหาความเข้าใจและการยอมรับจากผู้อื่นเป็นโลกที่น่าเบื่ออุดมไปด้วยความทุกข์มนุษยชาติย่อมเหน็ดเหนื่อยเสียแรงเปล่าในการส่งเสริมตนเองอย่างไม่ลดละด้วยความหวังที่จะโดดเด่นและมีชื่อเสียงและเพื่อความสนุกสนานที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วแห่งโลกมนุษย์นี้ชีวิตนับไม่ถ้วนที่ต้องสละไป นับเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสืบเนื่องจากความโง่เขลาทั้งหมดนี้มีมูลเหตุจากอาวิชชาและโลภะเมื่อความโลภเกิดขึ้นย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใดเมื่อนั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นอชนนั้นต่อแต่นั้นคนโลภแล้วย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริง ในการดิ้นรนเพื่อสนองคำบัญชาของโรภะพวกเขาตักตำด้วยความสำคัญผิดว่าเขากำลังทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะเหตุนี้พระศ า, าสดาจึงตัดในมลสูตรว่ารุตโธอัดถังนชานาติแปลว่าคนโรบย่อมไม่รู้ประโยชน์ อัธกถาอธิบายว่าคนผู้โลภแล้วย่อมไม่รู้อัฏฐะคือประโยชน์เกื้อกูลมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นตามความจริงมีบางคนเพียรรักษาความสงบแห่งจิตพวกเขาต้องการไปสู่ชีวิตที่มีค่ายอย่างแท้จริงสิ่งที่มีในชีวิตซึ่งบุคคลเหล่านี้โน้มน้าวต้องการ มักเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสงบแห่งจิตอย่างไรก็ตามมีคนอื่นอีกเป็นอันมากผู้ที่แม้จะมุ่งปรารถนาชีวิตที่มีค่าแต่ก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้เนื่องจากกิเลสคือโลภะบุคคลเหล่านั้นอยู่ในความทรมานยิ่งเหตุใดพวกเขาจึงตกอยู่ในความทรมานเหตุใดความสงบเย็น จึงปราศนาการไปจากชีวิตของเขาการไม่รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและเข้าใจว่าเพราะเหตุใดความสงบเย็นจึงหายไปจากชีวิตของพวกเขาพวกเขาจำเป็นต้องมองไปที่สาเหตุเหล่านั้นบุคคลพึงต้องทราบว่าเขาต้องการจะทำสิ่งหนึ่งที่พิเศษในอดีตมีผู้เข้าใจในเรื่องนี้ พวกเขาได้ทากิจที่ควรทำอย่างมีสํานึกเพื่อเหตุผลนั้นจริงๆในปัจจุบันมีผู้เข้าใจในเรื่องนี้เช่นกันและในอนาคตก็จะมีคนที่เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยความเหมือนกันในความต่างคนต้องสแสวงหาวิถีทางแห่งตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายของตนในความพยายาม ที่จะเป็นไปในโลกซึ่งคนส่วนใหญ่ได้แต่มักง่ายคำทางไปอย่างผิดผิดพลาดๆลาดจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ชีวิตช่างไม่มีหลักประกันใดๆชนย่อมแตกต่างกันไม่มีใครที่เหมือนกันเลยทางชีวิตของแต่ละคนเป็นทางพิเศษเฉพาะตนอย่างไรก็ตามเราค้นพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันในความแตกต่างของเรา เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเป้าหมายของมนุษย์ในพิสัยกว้างและดูเหมือนว่าหลากหลายอนันต์ย่อมมีความต่างแต่ในอีกด้านหนึ่งลักษณะแห่งโลภะโทสะและโมหะซึ่งเราใช้ฉันเดียวกันในการเดินทางสู่เป้าหมายที่ต่างกันของเรามีความเหมือนกันทักษะ ที่ไม่จำต้องสอนสิ่งเหล่านี้ได้แก่โลภะโทสะและโมหะถูกบ่มเพาะประกอบและแสดงลักษณะนิสัยใจคอของคนโดยตัวของมันเองโดยไร้การช่วยเหลือไม่ว่าด้วยการสอนหรือชี้แนะใดๆสิ่งเหล่านี้ต่างทรรมกิจเฉพาะของตนเองดังว่าความอุตสาหะและการปฏิบัติ ของผู้ที่เจริญกรรมฐานย่อมนำไปสู่วิถีทางหนึ่งชั้นใดความพยายามและการกระทำของผู้ที่ถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะและโมหะก็นำไปสู่อีกวิถีทางหนึ่งชั้นนั้นวิถีทางแรกนำไปสู่อิสรภาพส่วนอีกวิถีทางหนึ่งนำไปสู่ความทุกข์แม้ว่าไม่มีผู้ใด ได้รับการสอนในทักษะแห่งโลภะโทสะหรือโมหะลักษณะรามกเหล่านี้ก็สอดแทรกเข้าไปในชีวิตของปุตุชนจนดูเหมือนว่าผู้ควรเรียนรู้ทักษะรามกเหล่านี้ได้เร็วทีเดียวดังนั้นผู้ที่ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำจึงย่างไปบนหนทางแห่งความทุกข์ด้วยว่า กิเลสเหล่านั้นติดตามไปตลอดชีวิตคนส่วนใหญ่ทากายทุจริตและวจีทุจริตแล้วแล้วเล่าๆเพราะธรรมชาติและลักษณะอันรามกของกิเลสเหล่านี้โลภะโทสะและโมหะยังให้เกิดความมืดบอดและลวงตาเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่า ลุโตธรรมังนปัสสติหมายความว่าคนผู้โลภแล้วคือถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตถูกความโลภกุ้มลุมแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งทมอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบทสิบจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตริมนุษยธรรมธรรมอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ ผู้ที่ถูกโทสะปฏิทุสร้ายแล้วแลถูกโทสะครอบงำแล้วผู้มีจิตอันโทสะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่ง ร, รมอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบดสิบจะป่วยเก่าวไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตตริมนุสยธรรมทำอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ผู้หลงแล้วแลถูกโมหะครอบงำแล้ว ผู้มีจิตถูกโมหะหุ้มห่อแล้วผู้หลงลืมย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งทำอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบทสิบจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงจะได้เห็นอุตริมนุสยธรรมทำอันยอดเยี่ยมของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลภะโทสะและโมหะย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใด ในเวลานั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นรชนนั้นและต่อแต่นั้นพรานมหาชนนี้จะไม่รู้สึกคือไม่รู้จักสิ่งนั้นกล่าวคือโลภะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในจิตของตนนั่นเองว่าเป็นภัยคือเป็นเหตุแห่งภัยเช่นความกำเริ่แห่งจิตการกระทำทุจริตทางกายและวาจาเป็นต้น ความจริงที่ไม่ยืนนานมีคนบางพวกที่มีเป้าหมายเดียวในชีวิตคือเพียงแค่อยู่รอดในสังคมมีชีวิตแบบทางโลกีคนเหล่านี้เชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาว่าเขาสามารถหาความหมายและเป้าหมายในชีวิตด้วยความต้องการทางการมาสุขอันไม่สิ้นสุดมนุษย์มักจะชอบต้องการ และกระหายต่อประสบการณ์แห่งความยินดีในการมคุณหไม่มีข้อสงสัยใดๆว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าปรารถนาความเพลิดเพลินและสนุกสนานซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสาทรับรู้ห้าก็คือกรรมสุขห้าเป็นจากกรรมคุณเหล่านี้แหละ ที่ผู้คนสแสวงหาอย่างข้างใครไม่รู้อิ่มความปรารถนาที่จะเพลิดเพลินกับกามสุขเหล่านี้ท่วมท้นจิตมนุษย์มากจนอาจให้คำจำกัดความตรงๆได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะทำพลังแห่งโลภะโทสะและโมหะทำให้คนส่วนใหญ่มืดบอดอย่างน่าเศร้า กิเลสเหล่านี้ยังถูกเสริมแรงต่อด้วยค่านิยมของสังคมวงกว้างค่านิยมที่มีรากเหง้าจากโลภะโทสะและโมหะตัณหาเพื่อความเพลิดเพลินยินดีและการมาสุขเป็นธรรมชาติเต็มอัตราของคนส่วนใหญ่มากจนกระทั่งพวกเขาเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่าการสนองตัณหาของตนคือสิ่งที่เขาต้องการจะทำจริง ความเชื่อผิดผิดนี้มักจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นถึงโทษภัยอันแท้จริงในการสแสวงหาเช่นนั้นแต่พวกที่ยังคงเที่ยวสัมมาเรเทเมาในการมาสุขชีวิตย่อมไม่เคยพอนี่ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำในชีวิตแน่หรือผู้คนทุ่มเวลาในการสแสวงหาการมาสุขมากเหลือเกินแต่ได้รับผลคือ ความสนุกสนานชั่วสองสามขณะนับเป็นเวลาเพียงชั่วประเดียวประดาวเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามและเวลาที่ทุ่มเทไปช่าง น, น่าสงสารเหลือเกินไร้ค่าที่สุดแต่กระนั้นเขาก็สู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่กระดากใจไม่สํานึกเสียใจในการสแสวงหากรรมมาสุกเขาอาจจะไปไกลเกินกว่าที่เราจะถามว่า นี่ถือว่าเป็นกิจที่ควรทำในชีวิตแน่หรือถ้าเรามองดูท่าทางที่ผู้คนสแสวงหากรร ม, มาสุขในไม่ช้าเราจะค้นพบแรงจูงใจแห่งโลภะโทสะและโมหะบางคนหากรร ม, มาสุขเนื่องจากโลภะส่วนผู้อื่นแรงจูงใจที่ครอบงำคือโทสะโลภะและโทสะมักเกิดร่วมกับโมหะ โลภะโทสะและโมหะมักลงเอยด้วยความผิดหวังและล้มเหลวเมื่อโลภะเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็ไม่ย่หระไม่ว่าจะร้อนจะเยน็นไม่ใส่ใจถึงผลแห่งกรรมของตนเพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการเขาทำลายบทขยี้สังหารสัตว์ใดๆที่มากัดหรือคุกคามเขาก่าวคือโทสะ สมคบกับโลภะเขายินดีเสี่ยงชีวิตของตนเข้าต่อสู้ด้วยความลำบากและทยานอยากแม้ไม่แน่นอนว่าจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการนี้เป็นเพราะว่าเขายอมรับการลวงแห่งอวิชชาเขาจึงต้องสวยทุกความทุกของเขาเป็นสิ่งแน่นอนนับเป็นค่าเสียหาย ที่สูงของการเที่ยวสัมมาเลเทเมาในกา마สุความทุกข์ที่มีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้และเป็นผลมาจากการถูกครอบงำโดยกามตัญหาที่ไม่อาจบังคับได้นี้คือภัยในกามตาดที่เขายังไม่รู้ถึงภัยเหล่านี้เขาจะไม่อาจทราบว่ากิจใ ด, ดที่ควรทําต่อเมื่อเขาได้รู้แจ้งและเห็นแจ้งความจริงนี้ เขาจึงจะสำนึกได้ว่ากิจใดที่เขาต้องการจะทำจริงๆและกิจใดที่ควรทำ